Book 2ส5 3สทีที่สนามบินลิโดสตทดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะ Es v ส l ีรีเซอร์วเอทลิโดยู u ุสเอเทนม นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะไวตัสอิรติเชสเรขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะลูจูบเวียตุเปียลูอ่ะค่ะมิสแมดิฉันขอยืนยันการจองค่ะา ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะ Isval s ok a s take r e z e r v a c i j u ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะ s v a l o s p u r e z e r v ē t เที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะ i n a m r e อ s uz Romu? ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะไวเอร v เวลดีวส์บรีวส์เวียตไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นค่ะเน่เวลิสติเ a วียรเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะกัดเมสโนลาเอจาม เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหรคะเคอร์ดเมสบูซิมกรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหรคะชิก k ส์อิร์อออตบัสอุสบิลซา c e n น r รนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะไวตาสิริยูซุโกเฟรซนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ Vai t า ir jūsu soma? <agua>: ่ ī นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะวายการิยูซูปกาจูดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะซิกลีลูปกาจูเอสดริกสต์เนมทลีดส์ยี่สิบกิโลกรัมิิลัม อะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะกรับติเกอร์ดิวดสมิตกิโลกรัมสรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด